บทที่3จิตที่อาศัยจักรุประสาท์เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาดวงหนึ่งเช่นเดียวกันนี้จิตที่อาศัยโสตประสาทเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาดวงหนึ่งจิตที่อาศัยคานาประสาทเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาดวงหนึ่งจิตที่อาศัยชิวหาประสาทเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาดวงหนึ่ง จิตที่อาศัยกายประสาทเกิดร่วมกับสุขเวทนาดวงหนึ่งสามปฏิจจชนะจิต ท, ที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาดวงหนึ่งสันติระณจิต ท, ที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาดวงหนึ่งจิต ท, ทั้งเจ็ดดวงนี้ชื่อว่าอากุศลวิปากจิต วิปากจิตที่ประกอบกับอากาสานัญญาตนะฌานดวงหนึ่งวิปากจิตที่ประกอบกับวิญญาณัญญาตนะฌานดวงหนึ่งวิปากจิตที่ประกอบกับอกินจัญญาตนะฌานดวงหนึ่งวิปากจิตที่ประกอบกับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดวงหนึ่งจิตสี่ดวงนี้ชื่อว่ารูปาวจรวิปากจิต วิปากจิตที่ประกอบกับปฐมฌานเกิดร่วมกับวิโตกวิจารปีติสุขและเอกคตาดวงหนึ่งวิปากจิตประกอบกับทุติยฌานเกิดร่วมกับวิจารปีติสุขและเอกคตาดวงหนึ่งวิปากจิตที่ประกอบกับตติยฌานเกิดร่วมกับปีติสุขและเอกคตาดวงหนึ่งวิปากจิตที่ประกอบกับจตุตถฌานเกิดร่วมกับสุขและเอกคตา ดวงหนึ่งวิปากจิตที่ประกอบกับปัญจมชฌานเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาและเอกคตาดวงหนึ่งจิตห้าดวงนี้ชื่อว่ารูปาวจรวิปากจิตจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาประกอบกับปัญญาไม่มีสังขารดวงหนึ่ง จิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาประกอบกับปัญญามีสังขารดวงหนึ่งจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาไม่ประกอบกับปัญญาไม่มีสังขารดวงหนึ่งจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาไม่ประกอบกับปัญญามีสังขารดวงหนึ่งจิตที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา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 จิตทั้งแปดดวงนี้ชื่อว่ากามาวจรวิปากจิตที่มีเหตุลาวสังขารทั้งหลายมีปุญญาภิสังขารและอปุญญาพิสังขารเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่วิปากจิต32ดวงในปฏิสนธิการและประวัติการในภพเป็นต้นโดยประการใดบัณฑิตพึงทราบวิปากจิตเหล่านั้น โดยประการนั้นอันหนึ่งในเรื่องนี้สภาพที่มีลักษณะเหมือนเสียงสะท้อนเปรวประทีปรอยประทับและเงาในกระจกพึงเป็นตัวอย่างในการที่วิญญาณ น, นั้นมิได้มาสู่พบนี้จากพบก่อนและในการที่วิญญาณเกิดขึ้นด้วยเหตุที่นับเนื่องในพบก่อนอกุศลวิบากสันติระนจิตหนึ่งดวง กุศลวิบากสันติระนาจิตหนึ่งดวงและมหาวิปากจิตแปดดวงรูปาวจรวิปากจิตห้าดวงอรูปาวจรวิปากจิตสี่ดวงอกุศลวิปากจิตเจดดวงอเหตุุกะกุศลวิปากจิตแปดดวงกามาวจรวิปากจิตแปดดวงรูปาวจรวิปากจิตห้าดวง และอรูปาวจรวิปากจิตสี่ดวงในสมัยนั้นบาปกรรมที่คนผ่านทำอันเป็นความประพฤติผิดทางกายวาจาและใจในการกอนย่อมน่วงเหนียวบทบางรอบงามคนผ่านนั้นอันหนึ่ง กรรมที่ก่อให้เกิดการปฏิสนธิในพบอื่นที่มาปรากฏต่อหน้าในเวลาใกล้เสียชีวิตตามสมควรด้วยเหตุสีอย่างนั้นก็ดีกรรมนิมิตอารมณ์ของกรรมมีรูปารมณ์เป็นต้นที่ตนเคยได้ประสบมาก่อนและเป็นเครื่องมือในเวลาที่กระทากรรมนั้นก็ดีคตินิมิต เครื่องหมายของภพที่ไปอุบัติที่ตนจะเข้าถึงและที่ตนจะได้รับในภพที่อุบัติเป็นลำดับต่อไปก็ดีย่อมมาปรากฏในทวารใดทวารหนึ่งในบรรดาทวารทั้งหกด้วยแรงของกรรมและสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจะเสียชีวิตดังได้สดับมาว่าพรามผู้มีมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง ขณะนอนใกล้จะเสียชีวิตอยู่บนเตียงครูพรามค่องเข้ายืนอยู่ใกล้กล่าวว่าผู้เจริญท่านจงไปสู่พรหมโลกเถิดแต่เปลวไฟในเอเวจีนรกปรากฏแก่เขาลำดับนั้นเขากล่าวว่าท่านอาจารย์สิ่งที่มีสีเหมือนดังทองปรากฏอยู่ครูพรามกล่าวว่าผู้เจริญ นั่นแหละพรมโลกไปสู่ที่นั้นเถิดเมื่อเข้าเสียชีวิตแล้วได้ไปเกิดในอเวจีนรกลาวสัตว์ยินดีภูมินั้นด้วยความยินดีอารมณ์อย่างนี้ดุกระรพิสุทั้งหลายลาวสัตว์ที่มีจิตเศร้าหมองจากเศร้าหมองลาวสัตว์ที่มีจิตผุดพองย่อมหมดจดยังมีการตายอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าลหุกมารณะ ตายเร็วดังจะเห็นได้ว่าบุคคลเอาค้อนทุบขยี้มแมลงวันที่หลบซ่อนอยู่บนด้ามสิวในเวลาแม้เห็นป่า น, นี้กรรมหรือกรรมานิมิตก็ย่อมปรากฏเราไม่เห็นแม้ทำอื่นอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้จิตเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายง่ายมหาบ่อพี มีเมล็ดข้าวเปลือกร้อยเล่มเกวียนหนึ่งบ้านกึ่งเล่มเกวียนเจ็เจดทนานและส2สองฝายมือเมล็ดข้าวเปลือกเพียงเท่านี้เทียบกับจิตที่ดำเนินไปในขณะดีดนิ้วมือครั้งหนึ่งย่อมถูกนับถึงความหมดสิ้นไปได้แต่นับจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ได้ ในอัธกถาของอังคุตรนิกายอ้างข้อความจากมิลินทปัญหาข้างต้นแต่มีข้อความต่างกันว่ามหาบาพิษเมล็ดข้าวเปลือกร้อยเล่มเกวียนหนึ่งบ้าน77ทนานและ32ไฟฝายมือย่อมไม่ถึงการนับไม่ถึงเซี่ยวที่16ไม่ถึงส่วนเซี่ยวที่16ห ของจิตที่ดำเนินไปในขณะดีดนิ้วมือครั้งหนึ่งเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมกั้นบทบางครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็นฉันใดในสมัยนั้นบาปกรรมที่คนพ่านทําอันเป็นความประพฤติผิดทางกายวาจาและทางใจในการก่อน ย่อมน่วงเหนี่ยวบทบางครอบงามคนพานผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นฉันนั้นเหมือนกันในกรารมาวจรกุศลระกรรมเหล่านั้นกุศลกรรมที่มีเหตุสามอย่างยิ่งยวดย่อมให้ผลปฏิสนธิที่มีเหตุสามแล้วก่อให้เกิดวิปากจิตส6หดวงในประวัติการ กุศลกรรมที่มีเหตุสามอย่างอ่อนและมีเหตุสองอย่างยิ่งยวดย่อมให้ผลปฏิสนธิที่มีเหตุสองแล้วก่อให้เกิดวิปากจิตส2องดวงยกเว้นที่มีเหตุสามในประวัติการกุศลกรรมที่มีเหตุสองอย่างอ่อนย่อมให้ผลปฏิสนธิเป็นอเหตุตุกะจิตและ ก่อให้เกิดอหตตกาวิปากระจิตในประวัติการเท่านั้นกุศลอย่างใดยอย่างหนึ่งที่บุคคลปรารถนาวิวัตคือพระนิพพานแล้วให้เป็นไปแม้โดยอย่างต่ำเป็นเพียงการใช้ข้าวยาโคกระบวยหนึ่งบ้างหรือเพียงการให้ยญกากำมือหนึ่งบ้างกุศลทั้งหมดนั้นอาศัยวิวัตอยู่ในฝ่ายวิวัต ผู้เจริญปฐมมชานที่เป็นรูปราวจรกุศลอย่างอ่อนย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นปาริสัจชาผู้เจริญปฐมมชานนั้นอย่างปานกลางย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นปุโรหิตผู้เจริญปฐมมชานนั้นได้อย่างประณีต ย, ย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นมหาพรหมเช่นเดียวกันนี้ ผู้เจริญทุติยฌานและตติยฌานอย่างอ่อนย่อมไปอุบัติในหมู่พรมชั้นปริตตาภาผู้เจริญทุติยฌานและตติยฌานอย่างปานกลางย่อมไปอุบัติในหมู่พรมชั้นอัปปมานามภาผู้เจริญทุติยฌานและตติยฌานอย่างประณีตย่อมไปอุบัติในหมู่พรรมชั้นอภัสรา ผู้เจริญจะตุตถชาญอย่างอ่อนย่อมไปอุบัตในโม่พรหมชั้นปริตตสุภาผู้เจริญจะตุตถชาญอย่างปานกลางย่อมไปอุบัตในโม่พรหมชั้นอปประมาณสุภาผู้เจริญจะตุตถชาญอย่างประนีดย่อมไปอุบัตในโม่พรหมชั้นสุภกินหาผู้เจริญปัญจมาชาญย่อมไปอุบัตในโม่พรหมชั้นเวหพลา ส่วนพระอนาคามีย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นสุทธาวาสผู้เจริญปัญจมชฌ ا นนั้นนั่นเองที่คลายความยินดีในสัญญาย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นอสัญญาสัตต์ในภูมิแห่งการให้ผลสี่อย่างเหล่านี้อากุศลกรรมยกเว้นอุทจจะย่อมให้ผลปฏิสนธิในอบายพง ส่วนในประวัติการอากุศลกรรมส2องอย่างทั้งหมดย่อมส่งผลให้อกุศลวิบากทั้งเจดวงไปปรากฏในกรรมภูมิและรูปภูมิทั้งปวงตามสมควรขณะทั้งสมโดยจำแนกเป็นอุ ป, ปาทขณะทิฏฐิคณะและพังคะขณะชื่อว่าขณะของจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่ง วิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยสงเคราะห์เข้ากับขันหนึวิญญาณนักขันอายตนะหนึ่งมานายตนะแหลทา่าเจตจกขูวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานาวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมนโนธาต และมโนวิญญาณธาตุในภาคนั้นคำว่าสังขาระปั จ, จยาวิญญาณังวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยคือวิปากจิตทุกดวงในปฏิสนธิการและประวัติการฉะนั้นจึงกล่าวว่าสัทธิหิตาตุหิสังฆหิตตัง สงเคราะห์เข้าได้กับธาตุเจ็ดบุคคลไม่พึงกระทำให้พิเศษด้วยวิปากสับในคำว่าสับพรมปิวิปากกวิญญานังวิปากจิตทุกดวงนี้เพราะการที่กุศลละจิตเป็นต้นก็ถูกสงเคราะห์เข้าได้กับบทว่าสังขารปัจจยาวิญญานัง เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นในเรื่องธาตุทรงแสดงไว้ด้วยการเฉลยบทว่าวิญญาณเป็นต้นนั้นโดยเหมือนกับการเฉลยบทว่าวิปากาธรรมานี้ในนิเทศของบทว่าวิปยุตเตนะสังคหิตตังและวิปยุตเตนะอาสังคหิตตัง อวิชาสังขารเป็นอดีตการชาติชาช า, าและมรณะเป็นอนาคตการทำแปดอย่างที่อยู่ในท่ามกลางปัจจุบันกานี้คือการสาม